ท่านทังที่เคารพคะเราก็ได้อยู่ในสมาธิกันมาพอสมควรตอนนี้เป็นเวลาที่จะมากราบเรียนคำถามต่างๆกับพระอาจารย์เพริบุญอภิปุลโนจากวัดป่าดอนายโซหนองหารอุดรธานีนะคะซึ่งท่านกได้ก็จะได้ให้ความรู้จากพุททวจนะเราไปพร้อมๆกับคำตอบเหล่านั้นด้วยช่วงนี้เรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทวจนะค่ะนวัสการในท่านพรบุญคะใ่จรพรค่ะวันนี้ก็ ยังเป็นอีกวันในเมื่อค่ะที่คงจะต้องรบกวนกราบเรียนท่านถามเรื่องเดิมๆที่เคยถามไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าข่าวในหนังสือพิมพ์นี้ยังมีต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของพระที่จังหวัดเลยอะค่ะอ๋อค่ะคือมีข่าวมาว่าพระรูปเนี้ยแสดงธรรมทานายว่าโลกในกําลังจะแตกวัดท่านชื่อวัดร่มโพธิ์ธรรมนะคะก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเชื่อ อ, อพยพไปปลูกสร้างที่พักในข่าวบอกว่าหรู บริเวณที่วัดที่มีเนื้อที่ตั้งเกือบพันไร่แล้วก็เรื่องที่เป็นที่ดินประเภทไหนอย่างไรถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายไม่ถามกันแล้วกันนะคะเพราะว่าต้องกลับเรียนถามท่านเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนที่จะกลับเรียนถามก็คือลักษณะของพระที่ออกมาในหนังสือพิมพ์ให้เห็นเนี่ยคะ่ะก็จะแยกไม่ค่อยออกว่าเป็นพระหรือว่าเป็นคราวาตแบบเรา นะคะเพราะว่าแต่งกายไม่เหมือนพระมีหนวดมีเคราในข่าวเขาเขียนก็ใช้คาว่ารุงรังนะคะจึง อ, อยากจะกราบเรียนถามท่านว่าพระในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีรูปแบบที่มาตรฐานเป็นเช่นไรหรือไม่หรือว่ายังไงก็ได้ฟรีสไตล์ <Free> style, ค่ะก็คื อ, อความเป็นพระเนี่ยอันดับแรกก็อยู่ที่ศีล น, นะศีลของพระก็มีระบุไว้ชัดเจนเรื่องของอ ต้องผมเนี่ยต้องโกนไม่เกิน2เดือน2เดือนต้องโกนหรือภายใน2เดือนเนี่ยอย่าให้เกิน2เดือนหรือถ้าเกิน2นิ้วต้องโกนเดียวนั้น เ, เพราะฉะนั้นเรื่องของความยาวของผมหรือหนวดเนี่ยก็ใช้เป็นขนาดก็ได้นะอยู่ที่2นิ้วหรือใช้เป็นเวลาก็ได้ก็อยู่ที่สองเดือนนะแล้วกิริยาของผู้ที่เห็นโทษภัยในวัฏสงสารเนี่ย ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเนี่ยพระรูชาว่ใช้คำว่าปลงผมและหนวดนะเพราะฉะนั้นอย่างที่กติกาที่ตั้งกันในในประเทศไทยนะบางกลุ่มก็ตั้งกัน15วันโกนที่1ก็มีนะบางกลุ่มก็บอกว่า1เดือนโกนที่1ก็มีนะก็จะเป็นลักษณะนี้อ๋อค่ะแต่ว่าต้องปลงผมและหนวดปลงในที่นี้แปลว่าโกนโกนถูกต้องแล้วก็ในใบริขารที่สาคัญของพระเนี่ย อุปกรณ์ที่พระต้องมีเนี่ยต้องแต่ตอนบวชคุณต้องมีไม่งั้นคุณบวชไม่ได้เนี่ยนะก็คือมีดโกนหนึ่ในนั้นคือมีดโกนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าดูภายนอกนะก็อยู่ที่ว่ า, อาสองเดือนไหมบางคน2เดือนนี่ก็ยาวไม่เท่ากันะนะแต่ที่แน่ๆต้องไม่เกิน2นิ้วถ้าถ้ายังไ ม, ไม่เกิน2นิ้วก็ไปโจทย์ท่านด้วยข้อ น, นี้ยังไม่ได้แนะอนที่2ก็อยู่ที่เรื่อง คเครื่องแบบอีกเหมือนกันนะบางทีคเครื่องแบบก็ต้องเป็นลักษณะอย่างที่พระเจ้าได้บัญญัติเอาไวนะ้ น, วนเวนะเช่นผ้าอาไนะไรต่างๆแล้วก็อย่างที่สามก็คือต้องเรื่องศีลนั่นแหละเรื่องการบวชการมีอุปชาอะไรต่างๆของท่านถูกต้องไหมทีนี้ถ้าบวชมาแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่มีการบรญรชาเป็นโทษเนี่ยนะก็คืออย่างเช่นไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นคนมีสองเพศอย่างพวกนี้นะหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่ปลอมมาบวชอยู่ๆก็ห่มจีวรมาเลยอย่างเงี้ยก็จะไปจับท่านศึกเนี่ยไม่ได้ก็เท่ากับว่าจริงๆนะมีกรอบที่เป็นพระวินัยอยู่แล้วใช่สามารถที่จะตรวจสอบว่าตรงกับพระวินัยหรือเปล่าที่ประพฤติตนอยู่ในขณะนั้นใช่ถ้าไม่ตรงสมมตินะคะท่านใช่ๆสมมติเกิดผมยาวเกินสองนิ้วเนี่ย อ, อาจจะยาวสี่นิ้วหนิ้วเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะ อ, อ, อแล้วผิดยังไงเหรอคะไม่ให้เป็นพระเลยเหรอคะก็จะถูกปรับอาบัต์นะจะเป็นอาบัต์ทุกกฎคืออาบัต์เบาอาบัต์ประเภทที่ชื่อว่าทุกกฎซึ่งเป็นอาบัต์เบาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีแงม่มุมอย่างนี้คุณโยมติว๋วคือพระเนี่ยมีกฎข้อหนึ่งที่ว่าห้ามแต่งกายเหมือนอย่างครื่องหัต อย่างสมมุติว่า<ม>อย่างพระเนี่ยถ้ารับปริญญาสมมุติเรียนจบมหาวิทยาลัยนะรับปริญญาคุณจะ เ, เอาชุดครุยมาใส่เนี่ยไม่ได้พระนะเพราะจะเป็นการ<ะ>แต่งกายแบบเครื่องแบอย่างสมณเณรเนี่ยเวลาที่เขาจะไปเรียนหนังสือในโรงเรียนเนี่ยเขาจะเอาเครื่องแบบนักเรียนมาใส่เนี่ยไม่ได<ะ>้ก็จะถูกปรับอาบัติอันนี้เป็นอาบัติปาจิตตนะีเป็นอาบัติที่หนักขึ้นมาหน่อยแต่ก็สามารถปรงได้ด้วยวาจา ทีนี้มันมีแง่มุมนี้คุณโยมติว๋วอย่างสมมุติว่าคุณเราเป็นพระอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเห็นภัยเนี่ยอย่างในสมัยลังกาสมัยโบราณเนี่ยเขามีภัยอันหนึ่งก็คือว่ า, ากษัตริย์องค์หนึ่งเนี่ยเที่ยวคือไม่นับถือศาสนาพุทธนะก็เลยจะต้องการจะกำจัดพระภิกษุทุกรูปนะออกไป<ะ>เพราะฉะนั้นพระเนี่ยก็เอาตัวรอดแลนะบางองค์ต้องแบบปลอมตัวนะเป็นคารวาสไป หามาการปลอมตัวของพระเพื่อหนีภัยอย่างเนี้ยเนะี่ยเป็นอาบัติถูกต้องเป็นอาบัติเบาแต่พอตัวเองสามารถแสวงหาปัจจัยสี่อะไรสําคัญที่อันควรแกส่สม้ระเจ้บริโภคแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนเครื่องแบบอันเนี้ยก็ก็สามารถทําได้นะคือถ้าหนีภัยเนี่ยแล้วต้องเปลี่ยนเครื่องแบบนี้ก็คือเป็นอาบัติแน่ละแต่เป็นอาบัติเบาแก้ได้ยังไงตัวยังรอดมาประพฤติพรหมารรจันต์ต่อได้ก็จะมีแง่มุมนี้อ๋อสมมุติเกิดยามศึกสงคราม ที่เขาจะมาไล่จับตัวเราอย่างบางประเทศที่เขาไม่อยอมให้มีศาสนาออย่างนี้จะปลอมตัวเป็นครว่าดหนีไปเลยงี่ได้เลยใช่ไหมคะลุงกังเกลใส่เสื้อวิ่งหนีจุดไปเลยค่ะแต่และองค์ก็ต้องพิจารณาของท่านเองนะว่าท่านจะยอมผิดอาบัตอย่างนี้แล้วเอาตัวรอดหรือว่าจะยอมเสียชีวิตหรือหนีไปทางอื่นหรือว่าใช้วิธีการยังไงก็แล้วแต่ท่านอีนี้เป็นแง่มุมของธรรมาที่มองว่าถ้าเผื่อว่าเปลี่ยนเครื่องแบบเนี่ยคุณก็จะอาบัตินิดเดียวแต่คุณเอาตัวรอดได้อย่างนี้ท่านั้นเอง ค่ะท่านครับทีนี้ฟังดูเหมือนกับว่าเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภายนอกที่สายตามองเห็นแต่จริงๆว่าหัวใจของความเป็นประสงค์ของพระพุทธเจ้านั่นอยู่ที่ไหนคะเศรีนศีนศีนอย่างเดียวเลยนะถ้าคุณมีศีษเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าสุปฏิปันโนเลยปฏิบัติดีละ่ะเพราะฉะนั้ น, น, นเนี่ยเศษเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสําหรับพระภิกษุน ะ, ะคุณจะ เขาเรียกว่าคุณเป็นสมณะสมณะเนี่ยก็ด้วยคุณธรรมอะไรมีศีลเพราะว่าคนอื่นเขาจะสังเกต<อ>คุณได้ก็ด้วยคุณธรรมข้อนี้เท่านั้นเองเ อ, อย่างเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาเนี่ยมันยังดูกันไม่ออกนะคือบางท่านเนี่ยไม่สามารถแสดงธรรมได้ละเอียดลึกซึ้ง เ, เรื่องของจิตเนี่ยเราสังเกตไม่ได้แต่สิ่งที่ภายนอกที่คนอื่นคุณจะสังเกตได้เนี่ยเครื่องแบบก็ไม่เอาด้วยนะอย่างเดียวก็คือเรื่องของศีล นี้ถ้เกิดคนข้างนอกไม่มีความรู้เรื่องศีลของพระเลยละ่ะคะไม่มีความรู้เรื่องศีลของพระเลยลยังน้อยรู้สี่ข้อไหมค่ะคือหนึ่งไม่มีเพศสัมพันธ์นะสองอออไม่กราบอุตรินุสธาร ม, ามไม่ฆ่ามนุษย์นะแล้วก็สี่ก็ไม่รักทรัพย์อย่างน้อยต้องมีปราชชก4ี่เนี่ยจะต้องไม่ล่วงเกินนะแล้วก็สังการที่เศษสิบสาข้อนะก็คือ หลายอย่างนะไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงในเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวภาราศีอย่างนี้ค่ะอันนี้เท่ากับว่าท่านยกมาสี่ข้อนี่เป็นข้อที่หนักมากที่จะทำให้เป็นประสงค์ไม่ได้เลยถูกไหมคะถูกต้องจะหลุดออกจากความเป็นพระณ์นะเดี๋ยว น, นั้นวินาทีนั้นเลยค่ะคือถ้าว่าไป็มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเนี่ยจบเลยถึงแม้จะหมผ้าเหลืองอยู่ก็หมดความเป็นพระเดี๋ยวนั้นเลยอ๋อค่ะ เล่าอุตริมนุษย์ธรรมใช่ขอความชัดเจนอีกนิดหนึ่งสิคะว่าพูดอะไรเหรอคะก็คือว่าอวดคุณวิเศษของตนที่ไม่มีตัวเองไม่มีอวดคุณวิเศษของตนนี่ถ้าตัวเองมีนี่ยังว่าไปอย่างนะถ้าไม่มีเนี่ยแล้วคนอื่นเขารู้เขาทราบเนี่ยเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือว่าขาดจากความเป็นพระคุณวิเศษที่อันเหนือจากของมนุษย์ที่เขาไม่มีกันนะถ้าตัวเองไม่มีถ้าตัวเองพูดเฉยๆแต่ตัวเองไม่มี และก็จะเป็นอําบัตอย่างนี้แล้วที่บอกว่าไม่ฆ่ามนุษย์อันนี้เข้าใจง่ายเพราะถือว่าฆ่ามนุษย์มนุษย์เล็กๆมนุษย์จนๆ น, นี่ก็ถือว่าปาราชิกใช่ไหมคะทาใช่ฆ่ามนุษย์นี่ยังยังยังหนักยังหนักเรียกว่ายัางชัดเจนแต่ถ้าเอาอาวุธให้เขาแล้วเขาไปฆ<อ>่าก็ไม่ได้สั่งไปฆ่าจ้างฆ่าก็ไม่ได้หรือว่าแสดงคุณคว่าเอ้ยความตายดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาเชื่อไปฆ่าตัวเองก็ไม่ได้ คือเป็นต้นเหตุแห่งการฆ่าตัวตายโดยได้อ่าไม่ได้คท่านคะทีนี้พอมาถึงข้อไม่รักทรัพย์เนี่ยไม่รักทรัพย์นี่ก็ปาราชิกใช่เช่นเดียวกันใช่ทรัพย์ต้องมีปริมาณแค่ไหนกันท่านคะมากน้อยอย่างไรเออเกณฑ์ที่ใช้วัดนะถ้าเราพุพิจารณาตามพุทธวจนะเนี่ยก็คือว่าพระริชาตรัสนี้ว่าหนึ่งพิสุได้ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้นะอันเป็นส่วนจรกรรมจากบ้านหรือจากป่า ไปเปรียบเทียบกับพระราชาที่จับโจรได้แล้วนะเนรเทศเสียบ้างให้จําคุกบ้างนะด้วยปรับโทษว่าท่านเป็นเป็นขโมยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยการปรับโทษการจําคุกตรงเนี้ยซึ่งพระพุทธเจ้าก็ถามพระเจ้าเปรตที่โกศลบอกว่าด้วยขโมยของมูลค่าเท่าไหร่ถึงจะจับเข้าคุกลงโทษด้วยการเนรเทศออกไปนะพระเจ้าเปรตที่โกศลก็บอกว่า5มามาศนะซึ่งก็เลย เลยเอาห้ามาศกเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการที่จะอบอกว่าพิสูจนถ้าขโมยของเกินเท่านี้นะคุณเป็นปาราชิกถามว่าห้ามาศ ก, ากหนึ่งมันเท่าไหร่นมค ะ, คะมาศกหนึ่งเนี่ยในสมัยก่อนนี่นคือสมัยพระเจ้าเสรตินิโกศนนะก็จะมีะอัจริยะาจารย์หลายท่านที่ท่านทําการเปรียบเทียบมาในปัจจุบันก็ประมาณห้าบาทห้าบาทซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยตรงห้ามาศกเนี่ยไม่ใช่พุทธวจนะนไม่ใช่พุทธวจนะจคะอรื ทีนี้ถ้าไม่ใช่พุทธวจนะเนื่องจากรายการนี้เราเน้นเรื่องพุทธวจนะเราก็เลยไม่ทิ้งน้ําหนักไปที่ตรงนั้นที่จะกลาบเรียนถามต่อไปก็แล้วกันนะคะดิฉันจะไปกราบเรียนถามในส่วนที่ท่านได้พูดก่อนหน้านี้ซึ่งจะต้องย้ําถามอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้พุทธวจนะหรือเปล่าในเรื่องรทรัพย์ที่บอกว่าคือของที่เจ้าของไม่ได้ให้อันเป็นส่วนโจรกรรมจากบ้านบ้างจากป่าบ้างเยอันนี้เป็นพุทธวจนะไหมคะถูกต้องอันนี้เป็นถ้าเป็นพุทธวจนะแล้วดิฉันอ่านข่าวมืไ ม, ม่กี่วันนี้เหมือนกันนะคะพบวาเชี วัดไม่อยากจําชื่อได้ท่านจะใช้ชีวิตผิดปกตินะคะทําให้ต้องใช้เงินติฉันจําไม่ได้ไปใช้ชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยรับใบสั่งของคนที่เขาอยากได้พระที่อยู่ที่วัดที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสนั่นแหละแล้วก็ขโมยพระนั่นเอาไปให้เขาอย่างเงี้ยค่ะอออย่างนี้ไม่ได้เป็นของจากบ้านไม่ใช่ของจากป่าค่ะท่านคะของที่วัดที่ท่านเป็นเจ้าอาวาส ด, ด้วยท่านถือว่าท่านเป็นเจ้าของไม่ผิดเรื่องรักทรัพย์ไหมคะเอ่อ ของจากบ้านหรือวัดนี่ตั้งอยู่ในบ้านหรือตั้งอยู่ในป่าล่ะโอ้อันนี้น่าจะเป็นวัดในเมืองนะคะเอาก็คงอยู่ในบ้านท่านคือสมมติถ้าเป็นวัดอยู่ในชุมชนเนี่ยมันไม่น่าจะเรียกว่าเป็นป่าแล้วล่ะคะท่านเอามันก็ต้องอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นอตรงเนี้ยมีมีภิกษุในสมัยก่อนหัวหมอไงคุณยมติวพระเจ้านี่ไม่ใช่อยู่ในบ้านพระพุทเจ้าบอกว่าห้ามลักขโมยในบ้านนะก็ไปลักขโมยเ่อไปลักขโมยในป่าแล้วบอกตัวเองไม่ผิดอย่างนี้นะ แต่ผู้ที่ชอบก็เลย <Okay. S 1> ตั้งอนุบัญญัติเพิ่มว่าเอางั้นป่าด้วยถ้ารักขโมยจากป่าก็ไม่ได้อย่างนี้มันก็เหมือน <Okay. S 1> กันนะ่ยในกรณีนี้บอกว่าเป็นวัดนะไม่ใช่บ้านหรือไม่ใช่ป่ามันก็เหมือนกันแหละถ้ามีจิตคิจจะรักแล้วก็มีเป็นของที่เขาไม่ได้ให้ถามว่าที่เขาให้ <Okay. S 1> เขาใเขาให้เขาให้คุณหรือเปล่าหรือว่าให้เป็นของสมบัติแก่ใครถ้ามอบให้เป็นสมบัติแก่สงฆ์คุณต้องแจ้งให้สงราบแจ้งให้สงฆ์ก็หมายความว่าแจ้งให้ภิกษุรูปอื่นแม้แต่คนเดียวก็พอเอาทราบก็ได้ ว่าฉันจะเอาไปแล้วนะ <c oughs> แค่นั้นเองอืมก็ไม่ผิดแล้วค่ะแต่ในเนื้อความของข่าวเนี่ยรู้สึกว่าท่านจะทำํำในอื่นประกอบไปด้วยนะคะที่ไม่ไม่สมควรกับการเป็นพระแล้วก็จะมีการให้ท่านศึกไปเลยในที่สุดอั ง, งนี้เรื่องขอ ง, รงเรื่องของพระเนี่ยนะคุณยมติว่าจ ม, มาแบบต้องการจะเห็นข่าวดีๆเกี่ยวกับพระบ้างได้ไหมอะค่ะรายการนี้พยายามจะนําเสนอ แต่แง่มุมที่ดีเพียงแต่ว่าเรื่องที่เป็นประเด็นขึ้นมาดิฉันเนี่ยลำบากใจมากกับการที่มากราบเรียนถามเวลาที่ถ้าพระตกเป็นจำเลยของสังคมหรือว่าตกเป็นผู้ที่ทําผิดจริงๆเพราะว่าไม่อยากจะให้คนเสื่อมศรัทธาในพระศ า, าสนาแต่อะไรก็ตามก็อยากจะให้ความรู้เพื่อที่ให้คนรู้ว่าที่ถูกน่ะเป็นอย่างไรจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตามากขึ้นว่าเมื่อเห็นที่ไม่ถูกเนี่ยก็แปลว่า จะต้องช่วยกันในเรื่องการอย่างได้อย่างหนึง่งเรื่องเรื่องตรงนี้สําคัญคุณชมเตียวสมมุติมมตเราเห็นสิ่งที่ไม่ถูกน ะ, ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นพระที่ทําไม่ดีเนี่ยถ้าเรามีจิตไปตําหนินะหรือว่ามีจิตไปคิดโอ้ยพระไม่น่าทําอย่างนี้โอ้ยศาสนาเสื่อมนั่นแนหะรัตนะของเราจะเสื่อมรัตนะคือความเป็นคือรัตนะเนี่ยคื อ, อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถูกไหมถึงแม้ว่าเราคิดว่าพระสงฆ์รูปนี้ทําไม่ดีนะไม่ดีนิดไม่ดีหน่อยก็ไม่ดีละ ถ้าเราไปคิดอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยท่านก็ยังมีศีลในความเป็นพระนะยังมีศีลศีล ใ, ในขณะที่สามารถรักษาความเป็นพระของท่านได้เนี่ยท่านก็ยังมีความเป็นสงฆ์อยู่ท่านอาจจะรู้พุทธว จ, จะนะหรือรู้ไม่ลึกซึ้งทุกแงม่มุมอาจจะมีปัญหาอะไรเนี่ยเราไม่ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปตำหนิติเตียรเนี่ยไม่ถูกไม่ควรทําคนที่ได้รับฟังข่าวพวกเนี้ยควรจะทําใจเป็นกลางๆ ถ้าช่วยเหลือได้ในเรื่องของการมอบสื่อที่ถูกต้องเอาหนังสือไปให้ถวายความรู้ต่างๆก็ควรทำถ้าเราไม่ได้อยู่ในฐานะเช่นนั้นเราก็ควรจะนิ่งทำจิตให้สบายๆอย่างนี้นะอาจารย์คะทีนี้ในกรณีสมมติแบบที่ดิฉันกำลังทาอยู่เนี่เลยนะคะก็สงสัยไม่ได้ไปปรักปรำท่านมากกว่าที่เห็นเป็นข่าวแต่ต้องการมากลับเรียนถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นความรู้อย่างนี้ ยังเข้าขายรัตนเสื่อมไหมคะ อ, อ๋อยางยางคือการ <c oughs> การที่จะเข้าขายว่ารัตนเสื่อมเนี่ยก็คือว่าคุณด่าบริพาทด่าว่า <c oughs> นะนินทารับหลังอย่างนี้ไม่ถูกอันนี้เราเอาเนื้อความเนี่ยมาอภิปรายมาชี้แจงถแถลงการเนี่ยไม่เป็นไร ก็คงจะกลับเรียนถามว่าก่อนที่จะปิดช่วงนี้ไปถ้ามีอะไรเพิ่มเติมในประเด็นที่ได้กลับเรียนถามไปแล้วอีกไหมคะก็จะพูดนิดนิดหนึน่งตรงนี้ว่าถ้าเราเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยต้องทําให้ดีอย่าว่าอย่าดา่านะทําใจให้เป็นกลางช่วยเหลือได้ช่วยช่วยเหลือไม่ได้ให้นิ่งเท่านี้เองค่ะอย่าว่าอย่าด่าทําใจให้เป็นกลางช่วยเหลือไม่ได้ให้ น, นิ่งเท่ากับว่า ส่วนใหญ่เรื่องที่ไม่ดีที่เกิดก็มักจะลงสรุปสรุป ส, สุดท้ายไปว่าผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบคล้ายพระหรือเครื่องแบบแบบพระนั้นจริงๆแล้วท่านไม่ได้มีศีลที่สมควรที่จะเป็นพระต่อไปซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะนั้นเราไปเราไปมีปฏิกิริยาดังที่ท่านพิบูลไม่อยากให้เรามีนี้ก็เป็นการที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมารักษารัตนะของเราเอาไว้ สำคัญกว่าตรงนั้นอันนี้ก็งั้นวันนี้คงจะต้องน้มักการขอบพระคุณท่านเพรื่บูลไว้เป็นอย่างยิ่งในเวลานี้ส่วนคําถามอื่นๆท่านที่เป็นเจ้าของคําถามก็โปรดคอยติดตามกันในวันต่อไปนะคะน้อมสักการขอบพระคุณคะ่ะ การต้นวังที่ครอบและสําหรับสัปดาห์นี้นอกเหนือจากหนังสือก้าวย่าอย่างพุท ธ, ธะที่ท่านจาย์คือกริชโซติพลโลแห่งวัดนาป่าพงนําลูกาคลองสิทธ์ได้มอบมาให้เราได้มีโอกาสศึกษาพุทธวจนะในเบื้องต้นซึ่งรวมกันอยู่ประมาณสี่สิกว่าพิสูจนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะมีเอ็มสซึ่งมีผู้ที่มีศรัทธาในท่านจันเทบูนะคะได้รวบรวมจะมีในส่วนที่ท่านพูดในรายการของดิฉันเองในส่วนที่คุณ มดเนี่ยนะคะไปดาวน์โหลดมาตามที่ต่างๆซึ่งก็เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งใครสนใจถ้ามีศรัทธาที่จะมอบให้กับผู้ที่ขอมาที่022690006เบอร์เดียวกับที่จะขอหนังสือเนี่ยนะคะวันลา5ท่านในขณะที่ขอหนังสือเนี่ยเราให้วันลา3ามเล่มค่ะก็ติดตามกันนะคะสำหรับรายการของเรา มีเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันพุทธ ว, วัสดีค่ะ